ส่วนชนที่ดูเลิกก็ย่อมตรวจว่าเลกมียียี่สิบแปดเลิกมันชูเรียนเลิกนี้มาหรือเปล่านะเลกบ้านใหม่เลิกเนี่ยนะบอกว่ามงคลขึ้นบ้านใหม่เลิกนี้เลิกมงคลผูกเครื่องประดับนะทำเลิกนี้มงคลแต่งต้องเลิกนี้มงคลปลูกพืชต้องเลิกนี้มงคลอยู่เรือนต้องเลิกนี้ผู้ดูเลกก็ตรวจเลกอย่างนี้นะตรวจดูเลิกดูรามสมัยก่อนเนี่ยปู่เขาเขาเป็นเนี่ย เขาจะแต่งงานก็มาปรึกษาเขาจะมาโน่นนั่นนี่ก็จะปรึกษาปู่นะเราก็แกก็นับของแกไปเรื่อยครัเราก็ฟังฟังไว้นะพวกนี้ก็ตำราดูเริก็เรียนเรื่องเริกันคำว่าไม่เพิงประกอบอาถรรพไม่ประกอบการทำนายฝันไม่ประกอบการทำนายลักษณะแล้วก็ไม่ประกอบการดูเริกเนไม่านวิชาหมอดูที่เรียนมาก็ใช้ไม่ได้สินะไม่ได้เลยนะ ความว่าไม่พึงประกอบคือไม่พึงประกอบไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงยึดถือซึ่งการทํานายอาถรรพ์การทํานายฝันทํานายลักษณะดูเริกอีกอย่างหนึ่งไม่ควรยึดไม่ควรถือไม่ควรทรงจําไว้ไม่ควรเข้าไปทรงจําไม่ควรเข้าไปกําหนดไม่ควรประกอบซึ่งการทําอาถรรพ์การทํานายฝันทํานายลักษณะและดูเริกนะกครับว่าไม่ต้องเข้าไปประกอบเพราะฉะนั้นไม่พึงประกอบการทํานายอาถรรพ์การทํานายฝันการทํานายลักษณะและการ ดูเริกะนะเนี่ยเพราะถ้าโมได้ดูเริกอย่างนี้แนละ้วเมื่อไหรจะอบรมศีลสมาธิปัญญาแล้วอ่ะนะเจ้ที่บวชมาไม่ได้จะมาบวช ด, ดูเริกดูยามอะไรบวชไปบวชมาศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เอาแล้วนั่งดูเริกดูยามดูลักษณะดูลายมือดูผูกดวงผูกชะตาอยู่นั่น น, ะนะ น, น, น, นะ่ะนะวันวตั้งแต่เช้าจนดึกก็แหละนะโอ้ยบวชเข้ามาได้เท่านั้นนะเนะอืย คุณมูโชวบวชเนี่ยวิชาหมอดูเนี่ออตเลยอ่ะ น, น, นะรวยลึกรวยรวยแน่นะให้แน่นะให้รวยชาติหน้าด้วยนะระวังยังไงยังไงก็อย่าห่วงอย่าลืมชาติหน้ากันแล้วกันอ่ะนะรวยชาตินี้ก็ให้ห่วงตัวเองชาติหน้าไว้บ้างนั่นนะมีพระบางรูปก็เหมือนกันนะเขอบอกว่าโอ้โหดูหมอมากดูไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรหรอกมัวแต่ดูหมอ นี่พอดูหมอไปพระรูปนี้แม่ตายแม่ตายก็ร้องให้ขี้มูกปวงเลยแหละนั่นแหละก็ไอที่บวชมาไม่ได้เรียนธรรมะดูแต่หมอนะแล้วก็มีโยมเนี่ยโยมที่พอรู้ธรรมะบ้างก็มาปลอบบอกเองยังมีธรรมะธรมโมบ้างว่างั้นข้าโมแต่ดูหมอว่างั้นนี่ก็เสียหายมากเลยนะ <c oughs> นี่นะอย่างนี้ก็มีนะเจะแย่ไปหมดเป็นจริงคารวะนั่นแหละชอบไปให้ พระดูให้อะดูถูกดูผิดก็ไม่รู้เสียงเงินเสียทองบางทีก็ภิกษุผู้นับถือไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ ร, ร้องการปรุงยาให้คันนะปรุงยาให้ตั้งคันและก็ไม่ต้องรักษาโรคว่านั้นความว่าพวกชนที่รู้เสียงเนื้อนกย่อมทำนายเสียงเนื้อและนกคือย่อมรู้เสียงร้องเสียงเจรจากันแห่งนกหรือสัตว์สีเท้า ชนที่รู้เสียงเนื้อเสียงนกย่อมทํานายเสียงเนื้อเสียงนกอย่างนี้อย่างพระเจ้าพิมพ์ิสารเนี่ยนะรู้เสียงเนื้อเสียงนกได้ยินเสียงสัตว์เนี่ยจะฟังออก <c oughs> คําว่าชนพวกชนปรุงยาให้ตั้งคันย่อมยังคันให้ตั้งขึ้นแต่ว่าคันนี้ย่อมไม่ตั้งขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยเหล่าตัวสัตว์และด้วยลมกําเริบ ชนที่ปรุงยาให้ตั้งคันย่อมให้ยาเพื่อบำบัดเหล่าตัวสัตว์หรือเพื่อบำบัดลมกำเริบชนที่ปรุงยาให้ตั้งคันย่อมยังคันให้ตั้งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เห็นไะหส่วนการรักษาโรคเนี่ยนะก็มี5อย่างคือรักษาโรคทางตารักษาทางผ่าตัดรักษาทางยารักษาทางพูดผีรักษาทางกุมารคําว่าผู้นับถือผู้นับถือก็คือนับถือพระพู้เทอเจ้าเนี่ยนะผู้นับถือพระพุเทอเจ้าอย่าไปทําอย่างที่กล่าวทั้งหมดนะ คือภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์ผู้นับถือนั้นย่อมนับถือพระพุทธเจ้าหรือนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ย่อมทรงรับบุคคลนั้นผู้นับถือพระพุทธเจ้าต้องพระพุทธเจ้ายอมรับนะไม่ใช่สักแต่ว่าอ้างว่าตัวเองนับถือต้องเป็นกลุ่มภิกษุที่พระพุทธเจ้ายอมรับจึงจะเรียกว่าภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้าอธิบายว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้หลอกลวงกระด้างพูดเลาะและชอบตกแต่งมีมานะสูงเหมือนไม่ออไม่มีสมาธิดูกนที่สิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือเราเป็นผู้ปราศจากไปเป็นผู้ปราศจากไปธรรมวินัยนี้คือเป็นผู้ปราศไปจากธรรมวินายนี้ และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในธรรมวินัยนี้ <c oughs> ดูกอนพิสูน์ทั้งหลายส่วนพิสษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่พูดหลอะแหละมีปัญญาไม่กระด้างมีสมาธิดีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้นับถือเราเป็นผู้ไม่ไปปราดจัตเตะเป็นผู้ไม่ไปปราดที <c oughs> ตรงนี้อ่านไม่ถูกเ่ยนะ เป็นผู้ไม่ปราดไปจากธรรมวินัยและย่อมเข้าถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขศาสดาครั้นตรัสวยากรณาาสิตนี้จบแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพวกภิกษุผู้หลอกลวงกระด้างพูดเหลาะแหละชอบเครื่องประดับมีมานะสูงดังไม้ออไม่มีสมาธิภิกษุเหล่านั้น ย่อมไม่งอกงามในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่งอกงามอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับด้วยว่าพิสูจเหล่านั้นนับถือพระองค์ส่วนพวกพิสูจนผู้ไม่หลอกลวงไม่พูดเหล่อแหละมีปัญญาไม่กระด้างมีสมาธิดีภิสูจเหล่านั้นย่อมงอกงามในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เพราะฉะนั้นภิกษุผู้นับถือคือนับถือพระตนะตรายอย่างนี้เนี่ยนะไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการรักษาสัตว์โรคการรักษาโรคความว่าภิกษุผู้นับถือพระตนะตรายอย่างนี้นะไม่พึงเสพไม่พึงซ่องเสพไม่พึงซ่องเสพเฉพาะไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงยึดถือประพฤติ ซึ่งการทายเส <maturity> ียงสัตว sí, ์ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันการรักษาโรคอีกอย่างหนึ่งไม่พึงยึดไม่พึงถือไม่พึงสรงไว้ไม่พึงเข้าไปสรงไว้ไม่พึงเข้าไปกำหนดไม่พึงประกอบซึ่งการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันการรักษาโรคเพราะฉะนั้นพิสูนผู้นับถือไม่พึงซ่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาการให้ตั้งคันและการรักษาโรคเนนะ เพราะนัน่นนี้ก็สัมมาชีพหรือว่าอาชีวะปาริสุทธิศินเนี่ยนะสำคัญโปรองตรัสเป็นคาถาว่าผู้นับถือไม่พึงประกอบอาถรรพ์การทํานายฝันการทํานายลักษณะและการดูเริกไม่พึงซ่องเสพการทายเสียงสัตว์ ร, ร้องการปรุงยาให้ตั้งครันและการรักษาโรคเนี่ย น, นะภ <c oughs> ิกษุไม่พึงหวั่นไหวในเพราะการนินทา ถูกเขาสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงฟูขึ้นพึงบรรเทาความโลภพร้อมกับความตระหนี่ความโกรธและการพูดส่อเสียดอธิบายว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความนินทาความว่าคนบางพวกในโลกนี้ย่อมนินทาติเตียนค่อนขอดภิกษุโดยชาติบ้างตำหนิเรื่องชาติเนี่ยนะเรื่องโคตรเรื่องบุตรแห่งสกุล ความเป็นผู้มีรูปงามเรื่องทรั์เรื่องการเชื้อเชิญเรื่องหน้าที่การงานศิลปาศาสตร์วิทยาฐานะการศึกษาปฏิพาน์หรือโดยวัตถุอื่นๆเน่นะเอามานินทากันนะ่ะภิกษุถูกนินทาติเตียนค่อนขอตแล้วไม่พึงวันวันไหวเนี่ยนะเอ็นเอียงสะดุ้งดิ้นรนกระวนกวายถึงความกลัวถึงความหวาดเสียวคือไม่พึง เ, เป็นผู้ขาดคลัามหวาดเสียวหนีไปในเพราะความนินทาติเตียนค่อนขอ เสื่อมเสียเกียรติถูกกล่าวโทษพึงเป็นผู้ละความขลาดกลัวปราศจากความเป็นผู้มีขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะนินทาคําว่าพิสุผู้ถูกเขาสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงฟูขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะยกย่องชมเชยว่าโดยเรื่องชาติเรื่องโคต บุตรแห่งสกุลรูปงามทรัพย์การเชื้อเชิญหน้าที่การงานศิลปะศาสตร์วิทยาฐานะการศึกษาปฏิพันธ์หรือว่าถอย่างอื่นๆเนี่ยนะภิกษุถูกเขาสรรเสริญชมเชยยกย่องพันนาคุณแล้วไม่ควรทําความฟูขึ้นไม่ควรทําความกําเริบขึ้นไม่ควรทําความถือตัวไม่ควรทําความกระด้างไม่ควรความเป็นทําเป็นผู้จองหองเป็นผู้ปั้นปึง เป็นผู้หัวสูงเพราะความสรรเสริญเพราะความเชยชมเพราะความยกย่องเพราะความพันนาคุณเพราะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุถูกเขาสรรเสริญแล้วไม่พึงฟูขึ้นเนี่ยนะไม่อยากเขาชมหน่อยก็พองอย่านั้นแหละคำว่าความโลภเนี่ยนะความโลภก็คือกิริยาที่โลภความกําหนัดนักกิริยาที่กําหนัดนัก ความเป็นผู้กำหนัดนักอภิชาโลพากุศลมูนนี่เรียกว่าความโลภส่วนความตนีก็คือตนีห้าอย่างตนีอาวาสคือตณีที่อยู่ตนีลาบตนีวันณะตณีธรรมะเนี่ยนะแล้วอะไรอยังนะตนีลาบตนีตระกูลนะตระกูลยากตระกูลอุปถาตนีธรรมะตณีวันณะเนี่ยนะอ่าตณีที่อยู่นะ ความหวงเอาไว้นี่แหละเรียกว่าความตนีส่วนความโกรธความโกรธก็คือความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุนเคืองความเครืองความเครืองทั่วความเครืองเสมอเครืองอ่ะนีความชังความชังทั่วชังเสมอความพยาบาทแห่งจิตพวกนี้เป็นความโกรธทั้งนั้นแหะความพทุสร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธ ความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความเป็นผู้ดูร้ายความโกรธจนร้องไห้ความไม่เช่มชื่นแห่งจิตอย่างงี้เรียกว่าความโกรธ ส่วนคําพูดส่อเสียดก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดได้ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้รหรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นเป็นผู้ทําลายคนที่พร้อมเพียงกันสนับสนุนคนที่แตกกันชอบคนที่เป็นกกกันยินดีคนที่เป็นกกกันเพลินกับคนที่เป็นกกกันเป็นูเป็นผู้กล่าววาจาที่ทําให้เป็นกกกันนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด อีกอย่างหนึ่งบุคคลนำคำส่อเ internet, สียดเข้าไปด้วยเหตุสองประการคือด้วยความมุ่งหมายให้เป็นที่รัก <Hotel. S 2> กับมุ่งหมายให้เขาแตกกันบุคคลนำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยมุ่งหมายเป็นที่รักเป็นอย่างไรก็ค <s> ือบุคคลนำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยมุ่งหมายเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเราจากเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นผู้สนิทเป็นคนภายในเป็นที่ดีใจของบุคคลนี้ บุคคลเป็นผู้มีความประสงค์จะให้เขาแตกกันนำคำส่อเสียดเข้าให้นำเข้าไปเนี่ยอย่างไรบุคคลมีความประสงค์จะให้เขาแตกกันอย่างนี้ว่าคนเหล่านี้พึงแตกกันแยกกันเป็นกกกันเป็นสองเหล่าเป็นสองพวกเป็นสองฝ่ายคนเหล่านี้พึงแตกกันไม่ปรองรองกันไม่อยู่อยู่ลำบากไม่ผาสุกด้วยอุบายอย่างไรนี้เรียกว่าประสงค์จะให้เขาแตกกัน มันเนี่ยคำส่อเสียดยุ่แยงตะแคงรั่วก็ด้วยเหตุสองอย่างนะคือเสนอตัวอยากให้เขารักอย่างหนึ่งกับให้เขาแตกแยกคําว่าพึงบรรเทาความโลภความตรนีความโกรธและความส่อเสียดความว่าภิกษุพึงบรรเทาพึงสละกําจัดทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความโลภความตรนีความโกรธและคําพูดส่อเสียดเนี่ยนะ